เวิธีตายอย่างสบายใจความสบายใจเป็นสิ่งแรกที่ควรมีระหว่างชีวิตยังไม่สิน้นและเป็นสิ่งสุดท้ายที่ต้องมีขณะกำลังสิ้นชีวิตลงเจวิธีต่อไปนี้ใช้ได้กับคนที่เหลือเวลาในชีวิตไม่ต่ำกว่าหนึ่งวันกับหนึ่งคืนขึ้นไป หากเหลือเวลาน้อยกว่านั้นคงอ่านไม่ทันหรือทำความเข้าใจไม่ถูกหรือมีแก่ใจซักซอมไม่ได้เจ็ดวิธีต่อไปนี้ไม่ได้มีไว้ให้คนที่รู้ตัวว่ากำลังจะตายเท่านั้นแต่ยังเหมาะสำหรับคนที่ไม่คิดว่ากำลังจะตายเร็วเนี้ด้วยเจ็ดวิธีต่อไปนี้ เหมาะแม่สำหรับคนที่กําลังคิดจะฆ่าตัวตายและอยากเตรียมใจพร้อมรับความตายโดยปราศจากความกระวนกระวายเพราะทุกวิธีไม่มีคำขอร้องให้ใครอยู่ต่อมีแต่การนำเสนอข้อเท็จจริงสำหรับเตรียมใจก่อนตายสถานเดียว7วิธีต่อไปนี้จะยืนพื้นอยู่บนความสามารถทําได้จริง ไม่ว่าคุณจะเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายอย่างไรเราจะหยุดกันแค่ที่การได้ตายอย่างสบายใจอันควรเป็นยอดปรารถนาสุดท้ายของชีวิตส่วนความจริงที่ปรากฏหลังตายจะตรงหรือไม่ตรงกับความเชื่อของใครคอยปล่อยให้รู้เฉพาะตน เจวิธีต่อไปนี้เพียงข้อใดข้อหนึ่งที่คุณทำได้ก็พอเชื่อว่าคุณจะสบายใจในขณะเผชิญหน้ากับความตายและหากทำได้มากกว่าหนึ่งข้อก็เป็นประกันได้ว่าไม่ใช่แค่สบายใจอย่างเดียวความตายของคุณจะฝากรอยยิ้มไว้ให้โลกดูด้วยความประทับใจไปอีกนานทีเดียววิธีที่หนึ่ง ตระหนักว่าความสบายใจเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้มีเวลามากมายเหลือเฟือในชีวิตที่มนุษย์จะฝึกทําความสบายใจก็ยากนักที่เราจะเห็นคนเก่งบรรลุการฝึกยากนักที่เราจะเห็นใครสามารถทําใจให้สบายได้ตามต้องการซึ่งนั่นก็หมายความว่าขณะจวนอยู่จวนไปใกล้ตายเต็มทนเวลาเพียงน้อยนิด ยอมไม่พอสำหรับการทําใจให้สบายได้ทันการเป็นแน่ความสบายใจเกิดจากการไม่มีเรื่องให้ห่วงแต่ปัญหาคือชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยเรื่องน่าห่วงโดยเฉพาะในยามใกล้ตายไหนจะสมบัติข้างหลังไหนจะหวังให้ชีวิตยืดยาวต่อไปข้างหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นวิธีง่ายๆที่จะหายห่วงก็คือแยกให้ออกว่าเรื่องน่าห่วง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 เห็นความกังวลเป็นของแปลกปลอมที่เข้ามารบกวนความสบายใจเห็นบ่อยเข้าใจคุณก็ถอนตัวออกมาจากอาการกังวลได้เองลองดูแล้วจะรู้กล่าวโดยสรุปย่นย่อคือมองให้เห็นตัวความกังวลในใจเห็นเป็นของแปลกปลอมรบกวนจิตเห็นโทษของมันแล้วมันจะหายไปเองเมื่อใดความกังวลหายไป เมื่อ น, นั้นความสบายใจก็ปรากฏว่ามีอยู่แล้วโดยเดิมตามธรรมชาติวิธีที่สองระลึกถึงความดีที่ทำมาขอบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่าสิ่งที่คุณจะเห็นขณนะจิตยกขึ้นสู่วิถีแห่งมรณนะคือนิมิตการกระทำที่ผ่านมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากหลายทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ใกล้หมดสติ และพบว่าเรื่องราวตั้งนมนานผ่านแวบเข้ามาในหัวได้อีกทั้งที่ปกติหลงลืมไปอย่างสนิทแล้วแม้เหตุการณ์ช่วงเพิ่งลืมตาดูโลกไม่นานก็เอาหมดเพราะฉะนั้นแทนการให้จิตซึ่งใกล้หมดสติสุ่มเลือกการกระทำขึ้นมาแสดงซึ่งอาจมีทั้งดีทั้งร้ายคละกันคุณก็ชิงนึกถึงแต่ตอนที่คุณตัดสินใจดีๆไว้ก่อน เอาเฉพาะที่คุณเคยเลือกปฏิเสธเครื่องยั่วใจให้ผิดศีลผิดธรรมหรือที่คุณเลือกอภัยแทนที่จะแก้แค้นหรือที่คุณเลือกช่วยเหลือผู้คนแทนที่จะทอดทิ้งพวกเขาการหมันระลึกถึงกรรมดีในอดีตจะช่วยให้เกิดความเคยชินพอถึงเวลาใกล้จิต ด, ดับอํานาจความเคยชินนั้นก็จะดึงเอาความทรงจําด้านดีออกมาจากคลังกรรมมากมายเรียงรายเป็นคิวยาวเหยียด ทุกคนเคยทำชั่วอย่าไปเสียเวลานึกถึงมันถ้าอดนึกไม่ได้ก็ขอให้เป็นการสำนึกผิดครั้งสุดท้ายแล้วหันเหไปกลบทับเสียด้วยการระลึกถึงคุณงามความดีที่เป็นคู่ตรงข้ามแล้วถามตัวเองอีกด้วยว่าในความดีหนึ่งๆซึ่งเคยทำไว้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณจะดีกว่าที่เคยได้อย่างไรยิ่งจินตนาการได้ชัด ใจคุณจะยิ่งดำดิ่งลงไปในน้ำทิพย์แห่งความดีชนิดนั้นๆบังเกิดความปิติยินดีทวีขึ้นกว่าที่เคยหากนึกไม่ออกหรือลำบากมากนะักก็อาจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนั้นเองพูดให้ใครก็ได้รู้สึกดีหรือทำอะไรก็ได้ให้ใครสักคนได้รับประโยชน์จากชีวิตอันเหลือน้อยของคุณ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 เคยได้ยินไหมว่าคนใกล้ตายไม่โกหกรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะจิตของคนใกล้ตายเห็นสัจธรรมบางอย่างนั่นก็คือชีวิตทั้งหมดเป็นการโกหกอยู่แล้วพวกเราถูกหลอกว่ามีพวกเราถูกหลอกว่าเป็นทั้งที่ไม่เคยมีและไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างวันแห่งความตายคือวันแห่งการเปิดเผยความจริง ทุกสิ่งจะหลุดจากกรรมมือของเราไปประโยชน์อะไรกับการพยายามพูดโกหกปันเรื่องเท็จซ้อนเข้าไปในเรื่องเท็จอีกจะเริ่มฝึกยอมรับอะไรก็ได้ตั้งต้นจากคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงท้ายๆลองเริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณหลอกเขาไว้หรือสิ่งที่คุณยังรำรเป็นความลับที่ทำให้เขาเสียประโยชน์แล้วพูดความจริงให้เขาฟังคาจริงที่หลุดจากปากคุณแต่ละครั้ง คือการสลายม่านหมอกแห่งความลวงออกทีละน้อยทั้งจากใจเขาและจากใจคุณเองยิ่งยอมรับผิดมากขึ้นเท่าไหร่ใจคุณก็จะยิ่งเห็นความจริงปรากฏชัดขึ้นเท่านั้นและความจริงอันสำคัญที่ควรรู้ก็คือทุกสิ่งต้องปรนแปรไปความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายหากคุณไม่เคยยอมรับความจริงเหล่านั้นได้ ก็จะพบว่าง่ายขึ้นหลังจากทยอยพูดความจริงออกไปเรื่อยๆกระทั่งเกิดพลังสัตด์จะย้อนกลับมาช่วยเป็นแสงสว่างให้คุณเห็นทุกสิ่งได้กระจ่างขึ้นการยอมรับความจริงย่อมทำให้คุณสบายใจกว่าตอนไม่ยอมรับความจริงไม่เคยน่าหวาดกลัวสำหรับนักยอมรับความจริงเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าก่อนคุณเกิดหรือว่าหลังคุณตาย ระหว่างมีชีวิตคุณเคยทำให้ความจริงบิดเบี้ยวไปเพียงใดก็ขอให้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายดัดมันให้กลับตรงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เถิดผลจะเกิดในจิตที่สบายของคุณเองวิธีที่4เผื่อใจให้กับการมีอยู่ของปรโลกการอยู่กับฉากต้นๆและฉากลากลางๆของละครชีวิต จะไม่ช่วยให้คุณนึกถึงละครเรื่องใหม่ต่อเมื่อคุณอยู่กับฉากท้ายท้ายใกล้จบนั่นแหละความรู้สึกเกี่ยวกับการเล่นและการชมละครเรื่องใหม่จึงค่อยๆผุดชัดในใจคุณแม้ยังไม่อาจคาดเดา ว, ว่าเรื่องใหม่จะเป็นอะไรแต่อย่างน้อยคุณก็เลิกสำคัญเสียทีว่าโรงละครโรงใหญ่แห่งนี้มีแต่เรื่องเดิมได้แค่เรื่องเดียว ขณะใกล้ตายเป็นช่วงแห่งสังหรณ์โดยเฉพาะสังหรณ์เกี่ยวกับพบทั้งหน้าคุณจะมองเห็นรากของอนาคตที่ปรากฏอยู่ในความรู้สึกอันเป็นปัจจุบันใจที่สงบจะชวนให้คุณนึกถึงแสงสว่างและสภาพแวดล้อมน่ารื่นรมใจที่กระสับ ก, กระส่ายจะชวนคุณนึกถึงม่านมืดและสภาพแวดล้อมชวนขนหัวลุก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 เวลาที่เหลือเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้มากกว่าทบทวนหรือเตรียมตัวเผชิญอนาคตเสียให้ดีหากไม่รู้อะไรเสียเลยก็อาจถือได้ว่าเป็นความผิดใหญ่หลวงเว้นไว้ way, แต่พวกมิจฉาทิฏฐิที่วันวันเอาแต่ตะล่อมบอกใครต่อใครให้เชื่อว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวยามใกล้ตายคนทั่วไปไม่มีใครกล้าอวดดื้อถือดีสั่งให้ตนเองเชื่อว่าตายแล้วตายเลย ทุกคนจะหมดความทะนงหลงมั่นใจในความเชื่อของตัวเองไปพร้อมกับเรี่ยวแรงที่ถดถอยในเมื่อร่างกายที่เคยบัญชาให้เคลื่อนไหวตามใจนึกได้ก็กลายเป็นบัญชาไม่ได้อีกต่อไปสำหรัอะไรกับจิตวิญญาณกับกรรมเก่าที่เหมือนเงาตามกันอยู่ใครเล่าจะควบคุมให้มันหยุดตามกันได้ความเชื่อเรื่องตายแล้วศูนย์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 การไม่ต้องออกกำลังต่อสู้กับความไม่รู้มันช่วยผ่อนคลายจิตใจให้สบายขึ้นได้จริงอย่างน้อยก็เลิกเถียงกับตัวเองเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีชีวิตหลังความตายอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดให้คุณเห็นในไม่ช้าความเชื่อที่ขัดกับความจริงจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยไม่มีใครนาไปใช้ต่อสู้กับสัธรรมได้เลยวิธีที่5อาภัยโลก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 เพราะในไม่ช้าก็จะต้องอยู่คนละโลกกันแล้วเหมือนเอื้อมมาแตะต้องกันไม่ได้อีกแล้วการตายของคนคนหนึ่งคือการปิดเกมแห่งการเบียดเบียนเหมือนนักมวยที่แขวนนวมเลิกใช้ชื่อเดิมขึ้นเวทีอย่างเด็ดขาดแล้วอย่างไรก็ตามความพยาย า, า, า, า, ามอาฆาตอาจทำให้เรื่องปกติผิดปกติไปหลายคนยังผูกใจเจ็บ ยังนึกไปในทางเครียดแค้นอยากเอาคืนเสียดายยังไม่อยากตายตอนนี้ยังไม่ทันได้เอาคืนหรือกระทั่งคิดเลยเถิดถึงขั้นประกาศสักดาชัดว่าคอยดูเดี๋ยวกูเป็นผีก็จะมาเอามึงคืนอยู่ดีก่อนกายนี้สิ้นลมเรารู้ว่าวิญ ญ, ญาณอาฆาตมีจริงด้วยความคิดฝังใจไม่อภัยศัตรูสิ่งที่ไม่รู้ก็คือหลังกายนี้สิ้นลม วิญญาณอาฆาตนั้นยังมีจริงต่อไปไหมนี่แหละคนเราทนทุกข์ทนร้อนด้วยไฟโกรธขณะมีชีวิตยังไม่พอแม้ธรรมชาติให้โอกาสจบทุกข์จบร้อนด้วยความตายก็ยังอุตส่าห์อยากเติมเชื้อไฟต่อเข้าไปอีกสิ่งเดียวที่ประกันความรู้ได้แน่นอนก็คือระหว่างยังไม่ตายนี้คุณสามารถดับวิญญาณอาฆาตลงได้ด้วยความคิดให้อภยัย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 หากโทรได้ทันก็โทรไปขออภยัยขออโหสิต่อกันยิ่งดีคุณจะพบว่าทุกคนประกอบขึ้นเป็นโลกในใจคุณยิ่งคิดอโหสิได้มากคนขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งทิ้งร่างนี้ไปด้วยใจอภัยโลกเต็มดวงขึ้นเท่านั้นและสิ่งที่คุณจะรับรู้ก่อนตายก็คือใจที่สบายหายห่วงแต่ละครั้งที่คุณพูดกับปากหรือเพียงนึกด้วยใจบริสุทธิ์แท้จริง ว่าเลิกแล้วต่อกันนะไม่มีภัยเวรไม่มีสายมืดดำยงใยระหว่างใจกันอีกแล้วนะคุณจะชื่นมืน่นเห็นความเป็นโมคะแห่งภัยเวรมากขึ้นเรื่อยๆจนสว่างจ้าออกมาจากกลางใจชัดเจนทีเดียววิธีที่6ฝศึกสติก่อนหลับหากหมอบอกคุณว่าเหลือเวลาอีกไม่มาก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 แต่ละวันมีการตายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทั่วโลกเป็นจำนวนมากใช่ว่าแค่สิบคนใช่ว่าแค่ร้อยคนใช่ว่าแค่พันคนแต่นับได้เป็นแสนเพราะฉะนั้นการฝึกสติเสียในขณะที่ยังมีสติให้ฝึกจึงเป็นนโยบายที่ดีที่สุดนับว่ารอบคอบสูงสุดการหมดสติเพื่อหลับ กับการหมดสติเพื่อตายมีความเหมือนกันคือหมดสติฉะนั้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งการใกล้หมดสติหากพยายามตั้งสติไปจนถึงเสี้ยววินาทีสุดท้ายย่อมเป็นกำไรย่อมเป็นการกลั่นค่าของชีวิตมาใช้จนถึงที่สุดสติที่ยอดเยี่ยมทางพุทธคือสติระลึกรู้ความไม่เที่ยงความมีอันต้องดับไป เมื่อกำลังรู้สึกถึงสิ่งใดก็ควรรู้ให้ชัดว่าสิ่งนั้นเป็นสมบัติของความตายไม่ใช่สมบัติของตัวตนและก่อนสติกใกล้ดับไม่ว่าดับเป็นหรือดับตายสิ่งที่เหลือให้ระลึกได้ชัดไม่มีอะไรเกินไปกว่าลมหายใจอีกแล้วด้วยเหตุนี้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 ถ้ายังมีโอกาสหลายคืนก่อนตายแล้วคุณใช้ทุกคืนให้เป็นประโยชน์โดยไม่ทิ้งขว้างคุณจะทราบว่าในนาทีเข้าได้เข้าเข็มจวนเจียนสิ้นเลือดสิ้นเนื้ออยู่นั่นเองไม่มีอะไรในโลกเป็นที่พึ่งให้คุณได้ดีกว่ากำลังสติผู้มีสติก้าวลงสู่ความตายคือผู้สบายใจว่าตนมีที่พึ่งให้ตัวเองแน่วิธีที่7ปล่อยวางทุกสิ่ง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 สภาพใกล้ตายจะฟ้องชัดว่ากายใจในชาตินี้หาใช่สมบัติที่แท้จริงของคุณไม่แม้ชีวิตยังไม่ใช่ของคุณแล้วอะไรในชีวิตที่ควรอ้างว่าเป็นของคุณเล่าความเกิดและความตายแห่งสรรพสิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้จากรวานนี้เกิดมาได้อย่างไรและจะตายไปด้วยท่าไหนก็ยังเป็นที่ถกเถียงในระหว่างนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้จบ คิดไปคิดมาคุณอาจได้คำตอบว่าความไม่รู้นั่นแหละที่ก่อให้มีการเกิดการตายถ้ารู้ว่าจะแก้ไขไม่ให้ต้องตายได้คุณคงรีบทาแต่คิดไปคิดมาคุณจะเห็นทางเดียวที่ไม่ต้องตายนั่นก็คือต้องไม่เกิดเพราะเกิดขึ้นแล้วยังไรก็หลีกหนีความตายไปไม่พ้นต่อให้อาศัยเทคโนโลยีแช่แข็ง ต่อให้อาศัยเทคโนโลยีปลูกถ่ายอวัยวะหรือต่อให้อาศัยเทคโนโลยีชะลอความแก่ใดๆคุณก็ต้องพบกับ ก, บการคัดค้านจากก้นบึ้งของจิตใจไม่มีใครอยากทนจำเจยอยู่กับความเป็นอมตะอย่างไร้จุดหมายอยู่ดีธรรมชาติก็คือธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยประกอบประชุมกันแล้วไม่ช้าก็เร็วต้องดับลงเป็นธรรมดา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 นั่นเป็นเครื่องชี้ว่าการทำใจควรครอบคลุมให้ทั่วหมดไม่ใช่ทำใจได้เฉพาะส่วนของตัวเองแต่ต้องทำใจให้หายห่วงได้กับการสิ้นไปของคนอื่นด้วยแค่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งคุณก็คิดต่อได้แล้วว่าตัวเราเป็นอย่างไรคนอื่นก็อย่างนั้นในเมื่อคุณต้องตายนึกหรือว่าคนอื่นจะอยู่รอดปลอดภยัยพ้นจากเนื้อมือของมัจจุราชไปได้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 จิตย่อมเป็นอิสระที่จะดับลงโดยไม่ต้องสืบสายความเข้าใจผิดด้วยการอุบัติของจิตดวงใหม่เข้าไปประชุมกับรูปกายใหม่เพื่อชดเชยความไม่รู้และความสำคัญผิดสืบสืบไปความสบายใจที่เกิดจากการปล่อยวางได้ทุกสิ่งด้วยการกาจัดอวิชชาด้วยการเปลี่ยนความไม่รู้เป็นความรู้แจ้งณนะเป็นความสบายใจขั้นสูงสุด เหมือนคุณได้ลิ้นอีกรถหนึ่งที่ประหลาดและแตกต่างไปกว่าเคยขอเพียงรู้จักรส น, นเพียงครั้งเดียวก็แปลว่าคุ้มทั้งชีวิตคุณแน่แท้แล้วคุณจะไม่เสียดายแม้ต้องตายไปเดี๋ยวนี้ความสบายใจเป็นสิ่งแรกที่ควรมีระหว่างชีวิตยังไม่สิ้นและเป็นสิ่งสุดท้ายที่ต้องมีขณะกำลังสิ้นชีวิตลงจากหนังสือ คิดจากความว่างสาม